คนเรากำลังทำทำกรรมไม่ดีตกโลลบได้ง่ายง่ะที่มาอยู่วัดมีอันตรายมากถ้าทำดีก็ ก, กุศลมหาสารประมาณไม่ได้เลยนะแต่ถ้าทำาักกุศลก็ประมาณไม่ได้เหมือนกันมันต้องไะกลับระวังกรณีพิเศษ สมาดไม่ได้ถ้าประมาทพลาดพลั้งไปต้องขอคามาลาโทษให้เรียบร้อยถ้าไม่คิดก็ห้ามไมา่ให้ขอโทษเราเอาความผิดเปิดเผยกันถ้าเก็บไว้หมกเม็ดไ ว, ดไว้นลกรอทันทีเลยนะเปิดทันทีเลยตัวอย่างนนะัานเหมือนกับบ้านไปผ่อนส่งบ้านไว้ เ, เหมือนซื้อบ้านเอาไว้เลยนะ นอกจากปฏิบัติธรรมบรรลุพระโสดาบันติดตระตูบายภูมได้เด็ดขาดโดที่ในอำนาจของอริยมรรคอำนาจถ้าปฏิบัติธรรมยังไม่บรรลุพระโสดาบันยังไม่แน่นอนมีโอกาสเพราะกรรมดีกรรมชั่วพัดกันให้คนอยู่ ถ้าหากว่ายังไม่บรรลุพระสดาวบำปแต่ว่าเห็นความเกิดดับของลูกนามบ่อยๆความคิดจิตก็เห็นว่ามันเกิดดับไปร่างกายก็อยู่ของมันไม่ใช่ของเราซึ็นสภาวะที่เห็นพตัตไตรลักษณ์ฉัญญาโผมากก็ดับไปเราไม่ไปยึดว่าเป็นของเราสังขารปรุงแต่งขึ้นมา ก, ก็ไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่ของเราเวิจาณไม่ใช่ของเราสัญญาไม่ใช่ของเราเห็นบ่อยๆสังขารไม่ใช่ของเราถ้าอย่างนี้มันจะคลายออกได้ป่อยวางได้ถ้าหาว่าใกล้จะตายยังเห็นอยู่เรียกวาบรรลุอาจจินรั ด, ดาบิยมรัศดา น, น้อยๆ อ, อ่า น, นี้ปิดประตูไบยภูมิได้หนึ่งชาติ เกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นเทวดาสองอย่างถ้าว่าใครจิตมันเริ่มเริ่มอยู่บ้างแล้วบางทีก็ใช้ใช้บทสวดมนต์หรือบทอะไรเนี่ยเอามาเอามาทำความเข้าใจหรือว่ากายคตา อ, าอะไรอ่ะ พิยนากายขาการ32อายังโคเมกาอยู่เอามาท่องสากยายแล้วก็นึกตามไปถ้าไม่จดจดจออยู่ก็ได้หร้ะจะท่องสัพเพสังขาราอานิจจาสัางขานตั้งหลายไม่เที่ยง คกิตั้งอยู่ดับไปทุกที่ที่นาอย่างนี้จะเกิดความเบื่อหน่ายทีสัมมาโควิสุทธิยาก็เป็นทางออกจากทุกเหมือนกันหรือจะที่ น, นาความทุกข์ทั้งหลายก็มันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเสือส่อมสลายไปเหมือนกัน มันก็ออกเป็นทางออกจากทุกข์บางทีนนะนึกน้อมให้จิตมันเข้าใจอาจจะใช้บทสวดมนต์ก็ได้นำไปก่อนได้ถ้าจิตมันมองเห็นตามไปขยับตามไปก็แสดงว่าจิตของเราเนี่ยมันเริ่มเริ่มเข้ามา ดูดูตัวเองละดูกายดูขันหา้ายอมลับมัไม่ใช่ของเราส่วนใหญ่ในใหม่เนี่ยแรกๆเนี่ยใร่างกายมันมกักจะชัดเจนกว่าอย่างองื่นก็เอาร่างกายก่อนลมก็เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายผมบางขนบางเล็กฟันหนังเนื้อเย็นกระดูก เข้ามาข้างในไล่ไปก็ได้ถ้าหาว่าจิตของเรามันอยู่กับตัวเราได้ดีนี่จะมาพิจารณาวีนาอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นนะมันเกิดจากการกระทบอารมณ์ตาเวลาตามันเห็นกนะระทบลูกมันจะมีวิญญาณ รับรู้อารมณ์เขาเรียกจักขู่วิญญาณวิญญาณทางตาถ้าว่ายังไม่มีการกระทบกันวิญญาณทางตาก็ไม่ยื่นไปนะมันต้องเกิดพร้อมกันนะสามอย่างนี้มีตาก็ต้องกระทบลูกเห็นคําว่าลูกอะ้รนี่เห็นอะไรก็ได้สิ่งที่เห็นนี่ก็คือลูกเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของ ต้นไม้ภูเขาเหตุการ์ต่างๆจะเดียกลูปหมดตาไปกระทบเดียกอายันะภายในคือตาทุกคนมีตาตายังดีตาไม่บอดอาสัยระบบประสาททางตาไปกระทบกับลูกต้องมีจักรูหวิญญาณวิ่งทับร่วมกัน แต่ก่อนยัไม่มีแนมะ้แต่ครูวิญญาณพอกระทบปับ๊บ จ, จากครูวิญญาณยิ่งไปพับเนี่ยเป็นผัสสะขึ้นมาเลยนะมันต้องมีเหตุนะ้ำจึงมีผัสสะมีปัจจัยถ้าไม่มีเหตุปัจจัยผัสสะก็ไม่เกิดจริว่าตัวตนจริงๆไม่เหนียวมันมีแค่ขณะขณะหนึ่งปับ๊บตาเห็นกระทบลูกปับ๊บจากครูวิญญาณเข้าไปประกอบพับเรียกผัสสะ นีพพัตะก็รับรู้เห็นการเห็นขึ้นมาเห็นพับไอ้ตัวที่เป็นรู้ว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นต้นไม้เป็นภูเขาอันเนี้ยเขาเรียกว่าสัญญามันมีสัญญาอยู่ในนั้นด้วยเพราะเราเคยเห็นสิ่งเหล่านี้มาเคยรู้จักสิ่งเหล่านี้มามันจึงรู้เข้าใจถ้าไม่งั้นเนี่ยมันมันไม่ได้เป็นหมายไว้ก่อนคาว่าสัญญาเนี่ยมันจําได้หมายนี้ จิแ ล, แล้วไอ้ขันห้าที่มันทํางานอย่างเงี้ยดูดูไปมันทํางานแต่ละขนะเนะผัสสนี่ก็ตาต้องกระทบลูกหรือว่าหูก็ได้ยินเสียงถ้าหูเป็นหูก็มีเสียงเกิดขึ้นเรามีหูหูก็ได้ยินแล้วก็ต้องมีโสตะวิญญาณวิ่งมาพัดเป็นตัวรับเสียงเนี่ยมันก็ต้องมีวิญญาณที่รับรู้ แต่ตอนไม่มีเสียงก็ไม่มีอะไรก็ ม, มีเงียบกจิบเลยเสลตาวิญญาณก็ไม่มีมองไปนู่นไปนี่ไม่มีอะไรว่างเปล่าก็ไม่เห็นอะไรจกักรวิญญาณก็ไม่เกิดมีคนเดินมาพับจกักรวิญญาณก็มาประกอบพับเนี่ยดูซิหน่ะไอตัววิญญาณมันทํา ง, งานอแต่มันเร็วนะพับเลยเห็นแล้วก็เอามีสัญญามาปั๊บรู้เป็นหญิงเป็นชาย แล้วก็จะรู้สึกว่าทัพมันจะมีเวทนาอยู่ในในในการนี้นั้นน่ากลัวสบายไม่สบายเ น, นี่ยนี่แหละจะพุปุงแต่งไปเออจะเป็นอันตรายไหมจะทำยังไงดีมันจะปุงแต่งไต่เดืวองแต่แรกน่ะมันรู้สึกขึ้นมาก่อนรู้สึกสบายไม่สบายจะปลอดภัยัหยเนีน่ยมันรู้สึกขึ้นมา แล้วก็มันก็จะซุ่งกันไปเพราะนั้นข่าว่าใครทันมันเนี่ยตัวตนมันไม่เกิดไม่มีตัวเราแต่ทันผัสจะก็แค่เห็นแค่ได้ยินแค่ได้กลิ่นแค่รู้รสแค่ถูกต้องสัมผัสแค่รู้อารมณ์อันนี้เรื่อเร็วมากเลยนะการทำงานของจิตเนี่ย เพราะฉะนั้นเราหลงว่าจิตเป็นเราเป็นเราอยู่ตลอดเลยนะหลงว่าร่างกายเป็นเรายังไม่พอนะก็หลงว่าจิตเป็นเราแต่เวลาจิตไม่ออกมาทำงานอะ่ะมันต้องมีเหปัจจัยซะก่อนเป็นขณะเป็นขณะตาเห็นถ้าไม่มีจิตเห็นไม่ได้หู กระทบเสียงถ้าไม่มีจิตหรือโสตวิญญาณเ น, นี่ยจะยินไม่ได้มีกาเหมือนไม่มีมีหูมือนไม่มีเพราะไม่มีจิตนะมันต้องประกอบกันนี่เขาทรีว่ามันมันทำทั้งหลายเนี่ยมันมันเกิดแต่เหตุมีเหตุมีปัจจัยเกิดขึ้นถ้ามีสติดีอ่ะ จะทันทันอาการที่มันก่อเกิดขึ้นมาทํางานขันห้าทํางานถ้าว่าไม่ทันตอนถัดสะตอนกระทบเราไม่ทันเนะี่ยตอนเวทนาทันไหมรู้สึกอะไรพอใจไม่พอใจชอบไม่ชอบคือมันเกิดสบายไม่สบายก่อนนี่คือเวทนาจะไม่เกิดตัญหาชอบไม่ชอบนี่เป็นเรื่องของตัญหาละ มันซีดเนื่องกันไปแล้วก็จะปรุงแต่งเพื่อจะเอาแล้วนี่ยมันจะเอาแล้วเนี่ยนี่จิตจะไปเอาแล้วนี่เรื่องอุปท า, านแล้วแล้วก็มันเข้ามาอยู่ในจิตเราถึงมันมีโลภมีมีมันต่เนื่องมาเรื่อยมันเริ่มมีน้ำหนักขึ้นมาปรุงแต่งวนเวียนนี่นี่แหละนี่หละมันเขาเรียว่าชาติ มายว่ามันเกิดในจิตก่อนนะคนที่จะไปเกิดเนี่ยความคิดเนี่ยบางทีมันก็เป็นมินิตเป็นภาพเป็นมาคือจิตเรามันปรุงแต่งขึ้นมาแล้วมันก็เป็นภาพภาพนี้ก็คือมินิตหรือไ ม, ม่เป็นมันไม่ใช่ของจริงมันเกิดจากการปรุงแต่งของจิต คามคิดก็เป็นเป็นมินถ้าหาว่าในในสมาธิแล้วสิ่งที่จิตเข้าไปเห็นเขาเรียกมินิดหมดบางทีก็มีสิ่งภายนอกเขาขึามม้ น, น, ม, นมันตรงกัน่ะหมายว่าขึ้นของจิตเนี่ยมันตรงกันมันก็มีมิจฉาข้างนอกแทรกเข้ามาได้แต่หลักของพระพุทธเจ้าเนี่ยรักษาจิตไว้ไม่ยินดีไม่ยินร้า เพราะฉั้นถ้าหาว่าใครมีสติรูร้ทันเมื่อไหร่มันจะตัดกระแสการเยียนไหว้ตายเกิดได้เมื่อการสร้างภพสร้างชาตชิมันเป็นอย่างเนี้ยมันเป็นขณะขณะขณะแต่มันเร็วมันเร็วเราเราสติเราไม่ทนะันอ่ะนอกจากคนที่จะทันจิตจริงๆเนี่ยต้องระดับพระนาคามีแล้วมันทีจอยอยู่ที่จิตได้สังวาละร่างกายละเวทนาไปหมดแล้ว ตามดูจิตแล้วหมายว่ามันมันอัตโนมัติแล้วตามดูจิตสอนจิตนะแล้วก็ต้นต้นมีก็ยังมีความหลงอยู่มากนะถือว่านาคามีนี่มันก็มีลายดาดับชันเนียมันมีทั้งห้าห้าก็ อาวิหาเอาวิหาก็อาณาคามีต้นต้นก็ยังอาณคามีต้นต้นก็ยังมีต้นแล้วก็ปลายไปกว่าจะขยับเป็นอตบปาแล้วก็เริ่มขยับขึ้นไปแล้ก็พัฒนาขึนไปเป็นสุทัศษาือรศีอนมีขั้นตอนวอาณาคามิถาอานมิถาก็ยาพยายามไปสุดท้ายก็บรรุเป็นพระาราม เพราะพระนามีอยู่กับจิตกายไม่สนใจวิทนาไม่สนใจมีก็รู้ว่ามีแต่จิตมันไม่ไดิ้นตามพวกนี้หลอยู่ที่สุดถ้าเป็นพระอรหันมันจะหยุดการปรุงแต่งกันทีแล้วมันหมดหมดงานแล้วถ้ามีเหตุเกิดคิดนะพระอรหานเนี่ยถ้ามีเหตุแล้วจึงเกิดคิดคิดว่าเออควรทํายังไง ทำ็นประโยชน์ก็มักจะนึกทำประโยชน์นี้ทำยังไงยังไงถ้ามันมีโทษคิดจะแก้ไขแต่ถ้าไมนเนึ่งประโยชน์เลยทิ้งทันทีหยุดหยุดได้ไม่เอามาเป็นอารมณ์หยุดได้ด้วยกำลังของสติปัญญาที่ฝึกฝเจนกระทั่งอัตโนมัติขึ้นมาเป็นเครื่องมือเครื่องใชล้ละอยากคิดก็ได้ไม่อยากคิดกระวางไป มีเหตุมันก็คิดไม่มีเหตุมันก็วางเข้ามาถึงวี่ท้ า, าวผู้ที่ปฏิบัติเนี่ยเราจะพูดถึงสติปัฏฐานเสียเพราะว่าโพธิปักเยธรรมสามสิบเจ็ดประการทำฝ่ายตัสรุมีสามสิบเจ็ดประการทันที่หนึ่งพระพุทธเจ้าก็สอน ให้รู้ว่าคือสติปัฏฐานสีแล้วสติปัฏฐานสีเนี่ยมันเป็นยังไงเราจะทบทวนเพราะว่าเราไม่ค่อยพูดเพราะว่าพูดมามากแล้วพูดย้ำจนผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยรู้กันหมดแล้วแต่วันนี้จะเอามาทบทวนดูสติปัฏฐานสีเนี่ยเหมือนว่ามีสติตามดู กายเวทนาจิตแล้วก็ทาตัวที่เป็นหลักคือตัวสติมีคำพูดถึงสติปัฏฐานสีเนี่ยมีในพระสูตรด้วยแล้วก็ในพระอภิธรรมในพระสูตรก็มีหลายพระสูตรบางพระสูตรก็บอกว่าเนืออันที่หมือนคือกายานุ ป, ปัสนาสติปัฏฐาน กายนุปัสสนาสติปัฏฐานมีสติตามดูกายที่สเวทนานุปัสสนาสติสติปัฏฐานมีสติตามดูจิตอ่ะเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานมีสติตามดูเวทนาจิตตาุปัสสนาสติปัฏฐานมีสติตามดูจิตธรรม ลุกปเสนาสติปัฏฐานมีสติตามดูธรรมมีสติตามดูกายเขาเชื่นตามดูลมเข้าลมออกมีก็ตามดูกายเขาเรียกหมวดหมวดดูลมหายใจสตามดูอริยบทต่างๆมีกอตามดูกายสามเขาเรียกมีสัมปชัญญะหมวดสัมปชัญญะตามดู เอืเ้มดเล็กน้อยนส อ, อ, องน้ำมองสวมเดินกินผูกคิ ด, ดอันที่สี่ปฏิกูลมนาสิ์าละตามดูอาการสามสิสองว่าเป็นของปฏิกูลไม่สวยไม่งามอันที่ห้า ตามดูท่าสีกินน้ำลงไฟอันที่หกคือนาสากศพศพใหม่สพกลางศพ เ, เก่าเจอกระทั่งจะกระจัดจกระจายไม่เหลือแล้วแต่พวกเรานี้เป็น ดูกายหมดเลยเวทนาก็คือความรู้สึกถ้าความรู้สึกทางกายก็มีสุขมีทุกข์มีความทุกข์ทรามานดีขั้นทางกายมีความสุขกายมันก็มีความเป็นสุขได้กินใหม่ๆรู้สึกสุข ส, สบายอาบน้ำ มีสึกกายมันสบาย ม, มีความสุขทางกายเนี่ก็มีสุขทางใจทุกทางใจและก็ทางใจมีเฉยๆใจมันั้นเฉยๆก็ไดไม่สุขไม่ทุกข์จิตจิตนี้มันมีหลายระดับอ่ะอทิตใหม่ๆใหม่ๆเนี่ย ว่าดึงกันไปดึงกันมาหมายว่าเป็นเผลอไปกําลังบริกรรมกําลังดูลมกําลังดงูพองหนอยยืดหนอเดี๋ยวก็หลุดไปไม่รู้ตัวรู้สึกตัวกลับมาใหม่อันนี้เขาเรียกว่าดึ ง, ดงไปดึงมาอยู่แต่ถ้าหาว่าดูกายหรือว่าดูอะไรอยู่จิตมันคิดไปมันรู้มันรู้แต่พอรู้ปับ๊บมันยังมีความคิดอยู่ หรือพระมีความพิอยู่ดูความคิดได้เี่กเขาเรียกว่าจิตต า, า, านุปัสสาสติปัฏฐานตามดอาการของจิตนี่มันรู้สึกยังไงในจิตคือเรารู้รู้และ้ะแต่ว่าห้ามมันไม่ได้เพราะว่าสติเรายังอ่อนปัญญายาเรายังมีน้อยรู้แล้วมันก็ยังไม่ดับกำลังความนิกคิดปูนแตงในจิตมันยังมาก มันก็ปรุงแต่งไปแต่ถ้าเราฝึกบ่อยๆบ่อยๆมันจะเห็นเร็วขึ้นเร็วขึ้นเรืเรเ่อยๆจนกทั่งดับไปจนดูเฉ่ๆแต่ว่ามันมันขยับตัวก็รู้มันจะไปก็รู้หรือบางทีมันนิ่งแล้วแต่คราวนี้ให้มันละเอียด้าไวลาจนิง มันไม่ใช่มาตามดูจิตคิดนึกอะไรข้างนอกแล้วแต่ตามจิตเข้าไปเข้าไปเข้าไปก็เห็นจิตมันมันเคลื่อนไหวเห็นจิตมันเปลี่ยนแปลงเห็นจิตมันบังคับบัญชาไม่ได้ตัวจิตเนี่ยมันแสดงความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอันวนี้มันลึกซึ้งเข้ามาข้างในล จิตมันก็เริ่มปัญญาญาณเนี่ยปัญญามันก็จะเริ่มรู้ว่าเออจิตเนี่ยมันก็ไม่ใช่ของเรามีเห็นเป็นของหน่าเบื่อหน่ายเดี๋ยวเรื่องนั้นเดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวก็ไปรู้เรื่องนั้นเรื่องนีดงาา้ดึงเข้ามาดึงเข้ามาแล้วแต่งุ้งแต่งปุ้งแต่งแล้วก็วนเวียนอยู่ในจิตเนี่ยทําให้ไม่อยากมีจิตแต่มันก็เป็นไปไม่ได้ ก็เลยต้องมาทําความเข้าใจเกี่ยวกับจิตมาตามดูจิตตามดูแล้วเนี่ยมันจิตถ้ามันเห็นว่ามันเกิดดับก็มันเปลี่ยนแปลงว่ามไม่ใช่ของเรามันจะเบื่อหน่ายคลายวางไม่มีทางอ่ะที่มันจะไม่เบื่อหนา่ามันจะเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายแล้วคลายกําหนักคลายความยึดติดของ แนี่มันก็จะปล่อยวางเป็นวิชาเลยมดุดถ้ามันเห็นกายเวทนาจิตเนี่ยว่ามันเป็นอนิจจังขุขังอนัตตาตั้งแต่ขั้นต้นๆจนละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปอันนี้ก็เรียกเห็นพระไตลักษณ์หรืออะคือปัญญาปัญญายาณคือจิตได้เห็นพระไตลักษณ์เห็นต้นๆก็เริ่มมีปัญญาเบื้องต้น บางทีเขาเรียกวิปัสนายาณีิปาาัสนาปัญญาบางพระสุดเขาก็ไม่ได้พูดอย่างนี้เขาพูดว่าพิจารณากายในกายเนืองเนืองมีความเพียรมีสติสัมปชัญญะละความยินดียินายในโลกนี้เสียได้มาดูกายนี่แหละดูลมก็เรียกี่ณานลมเหมือนกัน หรือเมื่อแต่ยังคงมีกายอยู่อะไรเนี่ยเราเราท่องไปแล้วจิตก็เข้ามาสังเกตเข้ามาดูเข้ามาแลึกลู้้อยู่ภายใ น, ในสวดนําไปนําไปแล้วจิตก็ขยับไปขยับไปสุดท้ายมันก็ไม่อยากสวดเพราะเหมือนกับมันทำงานนักมันก็หยุดหยุดแล้วก็เข้ามาตามดูข้างในนี่ก็เรียกพิณากายเหมือนกัน ต่นอมามันไม่ต้องตามดูมันนิ่งนิ่งแต่แต่จิตมันรับรู้หมดเลยคือไอ้ปัญญายามเนี่ยมันก็มีกํำลังมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆที่แรกจะดูไปก่อนเหมือนกับจิตเนี่ยออกไปดูต่อมานี่จิตจะเหนมือนแน่นเข้ามาอะปัญญายาณออกรู้เอง มีความรู้ความเข้าใจเกิดขึ้นแล้วจิตก็จะไม่ยิน ด, ดีไม่ยิน้ายุทนาก็เหมือนกันเจ็บปวดขึ้นมาที่แรกก็อดทนก่อนให้จิตใจมีกําลังให้จิตใจมีความเข็งแขรงให้จิตใจมันเป็นจิตใจที่เป็นนักต่อสู้ีให้มันมีความมุ่งมั่นเหมือนกับมีเครื่องทดสอบเราก็ยังอดทน ดูมันไปมันก็เลยมีกําลังเพิ่มขึ้นเพราะเราสู้เหมือนกับเราสร้างขึ้นมาเพราะอดทนจิต ก, ก็มีกําลังความพอใจก็จะเกิดขึ้นในเนี่ยมันจะมีอาการของจิตตามมาด้วยรู้สึกพอใจที่เราเนี่ยเคงได้ต่อสู้ได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจา้าได้เห็นความจริงว่านิเวทนามันอยู่ที่ร่างกาย แล้วก็พอใจที่เราได้ปฏิบัติที่เราอดทนใจเราเข้นแข็งใจเรามีกำลังใจเรามีความมุ่งมั่นบากบันพอใจการกระทำของตัวเองพอใจตัวเองขึ้นมาบัาจิตก็มีกำลังก็เริ่มไม่ยินดีไม่ยิน้ายละมาเรื่องต้นนี้เนฝ่ายศีลหมดการสํางรวมจิตเข้ามาดู ก็มละความยินดีร้ายเมื่อความยินดีร้ายมากขึ้นเรื่อยๆตัวนี้เริ่มเป็นสับตัวสมาธิตัวแรกเนี่ย ม, มันมันมันเริ่มละความยินดีร้ายใหม่ๆเนี่ยเขาเรียกว่าตัวศีลแหละเนียศีลมันมันมาเป็นที่ที่จิตไม่อยู่ที่จิตแหละแต่มันก็อาศัยฝึกศีลเบื้องต้นกุศลศีลคือทําอะไรถูกต้องเหมาะสม มีอะไรควรทําก็ทำมีอะไรควรช่วยเหลือกันก็ช่วยเหลือกันอะไรไม่ถูกต้องไม่ทําเมื่อมันฝ่ายกุศลสี่มันมีถ้าว่าเราเราภายนอกอะเราไม่ถูกต้องเนี่ยมันจะเป็นอุปสรรคเหมือนกันมันเหมือนจะก่อกวนมันเหมือนจะมีปัญหามันเหมือนจะมีเรื่องอะไรต่ออะไรกุ้มลุมเราเพราะฉะนั้นเราจรึงย้ําว่าชีวิตประจําวันของเหล่านี้ที่ผีชีวิตของเรานี้ ต้องเป็นกุศลฉีดฝ่ายถูกต้องถ้ามีความไม่ถูกต้องขึ้นมาปั๊บการปฏิบัติธรรมจะเริ่มมีปัญหาพ้าหาว่าเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงพัฒนาเข้าสู่ฝ่ายกุศลฉีดฝ่ายถูกต้องอย่างอนงก็จะเริ่มเบาถิ่มันก็จะไม่ค่อยมีอะไรรบกวนจิตใจเวลาบางทีไอสิ่งที่เราเคยทํามาแล้วมันวิ่งมา ให้เราตั้งใจเลลวลาว่าเราจะแก้ไขเราจะพยายามปฏิบัติตามคมสอนของพระทธเจ้าไอ้ตัวนี้ถ้ากำลังมันมากกว่าไอ้ตัวนี้นก็เข้ามาไม่ได้แล้วไยมันละได้แต่ถ้าเรายังขืนทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องออนปวกเปลี่ยนเลยมันไปจูนเอาของเก่าๆมาหมดอะ่ะมันก็ไปเปิดกรรมเก่ามาเลย ไอ้กรรมใหม่กรรมไม่ดีใหม่อกุศล ใ, ใหม่เนี่ยมันไปเปิดอกุศลเก่าๆมาไปดึงมาหมดอ่ะลุ้มเล้าเล่นงานได้ทีนี้ฝ่ายกุศลก็เหมือนกันเมื่อนหร่เมื่อ เ, เราทําถูกต้องดีงามแ่ะให้สิ่งความถูกต้องดีงามก็ไปเปิดไอ้กรรมดีที่เราเคยทําอ่ะลองรักกันขึ้นมาจิตใจก็มีความเจริญข้าวนาคถึก ตัวยานปัญญายานก็คือตัวที่ตามรู้ตามเห็นจากวิทนาาก็สามารถทำให้จิตใจมันเห็นจิตของเราอ่ะมันมันพอใจมันเบิกบานมันลื่นเริงบันเทิงมันมีปีติมันมีความสุขหรือถ้าหาว่าคนที่ชำนาญแล้วพวกนี้มันมันก็มีแต่ความที่มันเป็นหนึ่ง อาการปีติอะไรกินข้ามไปแล้วมันก็เฉยมันเฉยเฉยเป็นกิจเฉยเฉยไปเดี๋ยวมันเข้าสู่ความเป็นอุเบกข า, ากอุเบกขาเนี่ยมันไม่หยาดล่นของพวกปีกิเพราะปีติเนยมันมันจะอิ่มเอเิบก็จริงแต่ว่ามันยังหยาบอ่ะมันซาบซ่านไปถึงร่างกายเนี่ย มันก็ทาให้จิตของเราเนี่ยก็มาสนใจร่างกายอยู่แต่จิตละเอียดเท้าไ ม, มันจะไปดูอาการของจิตในพวกความสุขอะไรก็เหมือนกันอ่ะมันก็ยังมีสีปรุงแต่งจิตถ้ามันอุเบกขามันราบเรียบ ก, กว่ากันเพราะฉะนั้นถ้าหาว่าสติเนี่ยมันเห็นอาการพวกทจิตพวกสุขอะไรมากเข้าแล้วมันจะข้ามไปมันจะวางไปหมด ก็เหลือแต่เดกขาเหลือแต่เฉยๆไม่สุขม่ทุกข์แล้วถ้าเป็นเวทนงทางกายเนี่ยพอเราดูไปอ่ะมีอย่างหยุามามันก็ดูไปแต่เวทนาทางกายเรานั่งนานขึ้นเนี่ยความเจ็บปวดมันก็จะกลับมาใหม่กลับมาใหม่ถ้าหาวันศิตของเราเนี่ยรู้วิธีละว่าพระพุทธเจ้าก็สอนให้ดู แล้วก็ฝึกจิตเราให้เข้มแข็งมีความกล้าหาญขึ้นมามีความเด็ดเดี่ยวขึ้นมามีความเชื่อมั่นในตัวเองขึ้นมาเวทนามันก็อยู่แต่ที่ร่างกายจิตมันก็เฉยๆนี่คือมันวางเวทนาได้แต่ถ้ามันแรงเกินกระท่างจิตเราเนี่ยมันต้องวิ่งไปดูหมายว่ามันมันจำมันแรงมากจิตของเรากําลังสติปัญญาไม่พอการปฏิบัติของเราเนี่ยเหมือนกับกําลังเราไม่ถึงนะ เหมือนเราจะยกของชิ้นหนึ่งกำลังเราไม่พอยกไม่ขึ้นหรือขณเกิดขึ้นเราอยากปล่อยวางแต่กำลังสติปัญญาของเราไม่พอปล่อยวางไม่ได้ถึงก็ต้องคิดกำลังซะก่อนหรือสติเข้าไปดูเลยดูควบคุมจิตไว้ไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่หวั่นไหวอะไรทั้งนั้นดูไปเพราะดูไปสติมันเริ่มมีกาลังขึ้นมาตัวสติที่มีกาลังเนี่ยสติเนี่ย มันประกอบประกอบจิตทำให้จิตมีกำลังเพิ่มขึ้นเหมือนกับเราออกกำลังกายความแข็งแรงก็จะเข้ามาอยู่ในร่างกายของเราถ้าสติมีมากขึ้นสติจิตเนื้อก็มีกำลังคือสติเป็นกำลังของจิตหรสติตรงไหนก็มีสมาธิตรงนั้นเพราะสตินี้เป็นเหตุใล้ของสมาธิหรือเปเหให้เกิดสมาธิ มีสมาธิขึ้นมาละตัวนี้ก็เป็นกำลังของจิตมันมีปัญญาด้วยเพราะในขณะนั้นมันก็พยายามที่จะสอนจิตด้ว่าจิตมันเห็นว่าเวทานาอยู่ที่ร่างกายจริงๆมันเกิดเวทานามันก็เบาลงเพราะว่าไอ้ไอ้กำลังของจิตมันเพิ่มขึ้นมีทั้งสติมีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญาตัวความเพียรทบางทีเขาพูดถึงถ้าหากว่าพูดถึง ไอ้หลักแล้วก็จะมีสติสมาธิปัญญาแต่ถ้าพูดซีมันจะเริเ่มมีความเพียรบางทีเราเนี่ยมันพูดพูดหลักก่อนแล้วบางทีก็เอาความเพียรมาประ ก, กอบที่จรความเพียรในีมันมา ก, ก่อนเพราะฉะั้นบางบางครูบาอาจารย์เขาบอกพูดไม่ถูกแต่เราเนี่ยมไม่ได้เอาไม่ได้เอาความถูกต้องทางภาษาเป็นเพียงเราเอาลำดับของสภาวธรรมจริงมันก็ต้องมีความเพียรมาลก่อน เพียงเพีก็มาจากไหนก็มาจากศรัทธาพวกนีก้จะมาประกอบเป็นกำลังของจิตด้วยยิ่งเห็นผลของการปฏิบัติเนี่ยมันก็ยิ่งมีความศรัทธาในคำสอนของพระติจาใไก่ชิดประพุทธพระธรรมพระสงค์ขึ้นมาความเพียนของมุ่งมัน่นบากบันอดทนพยายามจิตใจก็เข้มแข็งขึ้นมาแข็งแกร่งขึ้นมามั่นคงขึ้นมาสติก็ตั้งมั่นขึ้นมา ตัวสติมันทำให้จิตตัางมันเหมือนกับมั่นคงตัวที่ทำให้เอาชื่อว่าเราเรายืนยืนอย่างมั่นคงตัวสตินี่แหละทำให้มั่นคงเมื่อมั่นคงจิตก็จะไม่ซึ้งซ่านไปไหนจิตมันมั่นคงขึ้นมาหละสติมันทำให้จิตมั่นคงเมื่อมั่นคงเนี่ยสมาธิมันก็คือตัวที่ไม่ซึ้งซ่านจิตไม่ซัดซับ จิตก็เลยเน้เนี่ยมื่เนี่ยตัวอื่นก็จะมารวมกันอี่ที่ตัวสมาธิหมายว่าทําให้จิตมีคุณสมบัติที่ตื่นขึนสติมารวมกันถ้าจิตไม่มีสมาธิามันนี่อะไรมารวมตอนลุ่งสัน้นมันลอยไปหมดเพราะนั้นมันต้องมาประกอบกันตัวสัญญาเนี่เป็นตัวถอดถอนเห็นแล้วมันมัน เมื่อเห็นว่ามันมันไม่ใช่ของเรามันต้องปล่อยมันต้องถอยถอยมันต้องเบื่อหน่ายพายคาหนักดวงปัญญาเนี่ยถ้าลองได้เห็นแล้วยังไงยังไงต้องปล่อยเพราันการปฏิบัติเนี่ยถ้าปฏิบัติถูกต้องครับมันต้องเป็นไปด้วยการปล่อยวางถ้าว่ามันยังปล่อยวางไม่ได้เราก็ต้องเพียรต่อไปโดยมีเป้าหมายให้มันรู้ความจริงเห็นความจริงต้องรู้หลักอย่างนี้ มันจะไม่หลงทางถ้ามึงเห็นหนั่นเห็นนี่ใครเห็นอะไรก็อยากเห็นด้วยทําไมเราไม่เห็นอย่างนี้มันนอกทางเนะี่ยนี่คำถามเบอร์นึ่อนก็เอาทําไมไม่เคยเห็นอะไรเลยเอาก็เรามีนีม่มีสายที่เจ็บนันไม่เป็นไรเห็นจิตัวเองไม่เห็นนียก็พระเจ้าก็บอกว่าให้เห็นจิตไม่ว่าไม่ไม่ให้หลงยินดียินร้ายกับสิ่งใดในโลกและความดีินร้ายในโลกเสีย ใ, ใได้ ถ้ามีนิดคนบอวเห็นมินิดเห็นแสงเห็นสีเห็นเทวาดาอมีคนมารายงานบ่อยๆเราเห็นแล้วจิตเป็นยังไงก็ต้องถามมาที่เดิมนี่แหละถ้าเขาบอกว่าเออไม่ยินดีนี่อะไรอ่านั่นถูกต้องแล้วเนีก็แค่นี้ไม่ได้ไปบอกว่าเออนั่นหีเก่งนะพิเศษนะมีหูทิพย์มีตาทิตยมีความรู้พิเศษมีความสามารถพิเศษมั น, นั่นใช่ย่างไงการพูดอย่างนั้นเขาหลงทันทีเลยหลงนิดๆ ลงส่งสีตะวันข้างนอกหลงพอใจกับไอ้ปรากฏ ก, การณที่เกิดขึ้นเสียหายเพราะมันออกไม่ตรงทางพระพุทธเจ้าล่ะก็ต้องเะ็นอะไรจิตยินดียินร้ยไหถ้าไม่ยินดียินร้โอเคไม่เห็นเลยแล้วจิตเป็นไง ย, ยินดีอยินร้ายไหมไม่ยินดีไม่ยินร้าก็ต้องมาดูกายเวทนาจิตทำนี้มันก็มาเสวนเดียวกันเนี่ ย, ยถ้าเข้าใจถูกมันไม่ได้ไปอัศจรรย์กับ ่ใครรู้ใครเห็นอะไรแต่มันุ่งตรงมาที่จิตของเราเนะี่ยว่าอะไรเกิดขึ้นยินดะีอะไรไหมแล้วในในี้ก็มีเขามาปฏิบัตเขามีแสงมาก่อนเห็นเป็นแสงแต่ว่าก็เห็นภาพเหมือนอไรสักอย่างนนะแต่ว่าเขาสติเขาดีเขามีหลักแต่เขาสอนแบบหนึ่งนะเขาบอกว่าดูเฉยๆไม่ตกไม่แตกอ่าอันนี้นเป็นภาษาของเขาเองเขาพูดกระถูกแล้ว ก็คือไม่ยินดีไม่ยินร้ยนั่นแหละแต่ว่าเขาสอนจิตเขาแบบนี้ดูเฉยเฉยไม่ตกไม่แตกดูเฉยเฉยไม่ตกไม่แตกก็คือไม่ปรุงแต่งไม่สร้างไม่เลื่องสร้างเล่าเห็นก็รู้ว่าเห็นแต่ว่าสอนจิตเราไม่ยินดีไม่ยินร้ายแต่แต่ว่าไม่ตกไม่แตกไม่ปรุงแต่งไม่สร้างขนภาพอะไรขึ้นมาไอสิ่งนั้นมันก็ไม่ได้หายไปแต่เขาก็มาดูจิตเขาเดี๋ยวไอสิ่งนั้นมันก็ขยับเข้ามาใกล้ ก็ไม่สนใจเข้าสอนอย่างนี้แต่หัวใจตึ๊บตึ๊บตึ๊บต๊เลยนะก็แสดงว่าตึบึ๊บมันมีอยู่อ่ะพรอนจแตกเ น, นี่ยแล้วนี่ถอยออกไปขานี้ก็ใหญ่ยิ่งกว่าเก่าเขาว่าเป็นใบหน้าพุ่งเข้ามาใกล้อ่าผมก็ไม่หมดจิตไม่ยินดีไม่ยินายมันก็ทําอะไรไม่ได้ดูไปนานเข้านานเข้าไปกระจางไปจางไปจางจิตเขาก็เริ่มเข้ามาอยู่กับตัวเองม่ทราบว่าไม่มีหลัก มันก็จะไปปรุงแต่งอะ่รนั้นน่ะจป็นั่นเป็นมี่เป็นเทวดาหลวงดีอกดีใจที่ดีมันจะเป็นโทษแล้วที น, น, ทนี้แต่ถ้าไม่ดีมันอยู่ไร ม, ม, ม, ม, มันถูกขาดนี้แสงสีอะไรก็ตามรูปตาสมองมันก็ไม่มีอะไรร่างกายก็เหมือนกันบางทีภาวนาไปมันก็บีบเข้ามานี่นนี่นี่ขึนน้นมา แต่คนไหนที่มีหลักดีอ่ะก็ไม่ยินดีไม่ยินลายอ่ะเขาเรืงร่างกายอ่ะแต่คนหลักไดีก็สงสัยผีเข้าสงสัจะเป็นอะไรอันนั้นอันนี้ไปเรื่อยเนี่ยก็ทิงหลักแล้วพูตเจ้าบอกไม่ยินดีไม่ยินลายที่ร่างกายในกายในเนืองมีความเพียรมีสติสัมปชัญญะและความยินดียินร้ายในโลกนี้เสียงดัเนี่ยก็มาหลักเดิมนั่นแหละ บงทีเหมือนหายใจไม่ออกเหมือนมีอะไรรัดคอก็มีแล้วไปอยู่ในป่าชา้าพอเย็นๆมาเนี่ยนั่งสมาธิโอ้โหไม่ร่าอะไรอะ่ะเหมือนกับมันกกวูบวาบวูบวาบกวนไปวนมารอบๆตัวเราใช้ประโยชน์เล่นเขาเล่นขเนนขาที่คอเราแล้วก็นัองอยู่ดีมือลายตายก็ตายสิไม่เห็นเป็นไรปล่อยไปเดี๋ยวก็หายขก็มันเองมันทาอะไรไม่ได้เนี่ยเพออราะเรายึดหลักของพระพุทธเจ้าเอาไ เรื่องนี้ละที่ผู้เจ้าสามารถกําจัดมารได้ละปัญหาทั้งหลายได้ก็เพราะมีหลักอย่างนี้ถึอไม้จะยินดียินร้าจากมั น, เ, น, ดมนเดี๋ยวมันเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็ดับไปของมันก็ดีเราได้ธรรมะเราได้เงินได้มนี้จังทุกขังอนัตตาแล้ว ก, ก็กลัวตายอีกเหม่นมอนลูกเต๋าก็คือมันมาทดสอบเราทีเฉยๆถ้าเราเจริงจัง เราใจวางได้เราได้กำลังทันทีเลยธรรมเกิดปัญญาเกิดแต่ทบอารมก็เหมือนกันเรื่องข้างนอกบางทีลงไปข้างล่างไปข้างนอกเอาโทรศัพท์ไปนู่นไปนี่เดี๋ยวก็เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องนั่นเรื่องนี่นเอาไปละถ้าปัญญาเรามีเลาบอกโอ้โหนี่เนะี่กรรมของคนเราเกิดมารื้นิกรรมไม่พน กรรมดีจะให้ผลก็จะเปลี่ยนเป็นกรรมไม่ดีก็ไม่ได้กรรมไม่ดีให้ผลจะเปลี่ยนเป็นกรรมดีก็ไม่ได้เราก็อย่าไปเอาแบบเอากรรมคนอื่นมาแบกแล้วก็ไม่ยินดีไม่ยินร้ายทำไมมันก็ปร่งได้วางได้ถ้าว่าทำรักษาจิตไม่ได้วางท่าทีภายในจิตไม่เต็มก่อนเขาอย่างนั้นเข้ามาเรื่องนี้เข้ามาก็คือจิตเรานั่นแหละไม่ได้มีอะไรเลยนะแล้วนราคือทิ้งหลักนะ้ไม่ไปยินดียินร้ายแนละ้ว ทางมหาก็บอกเหมือนกันทุกคนหรอกถ้ารู้แล้วจิตไปยินดีนหรื้ายถ้าเกี่ยวกับคนก็อาวมีบากรรของเขาไงเดี๋ยวเราก็ตายจากกันแล้วถ้าคิดให้มันทะลุไปเลยเราตายไปเขาเขาอยู่ของเขาได้ไปตามกรรมของคนนั่นแหละเ อ, อะไรจะเป็นขึ้นมาถ้ากรรมดีมันให้ผลกรรมไม่ดีให้ผลไปก่อนเดี๋ยวกรรมดีให้ผลมันก็จะเป็นของเราก็กลับคืนมาถ้าเป็นเงินเป็นทองเป็นเท้าเป็นของก่อน ถ้าเข้าใจมันก็ง่ายถ้าไม่เข้าใจก็แบบไว้นี่จะคิดที่วัดพระรามเก่าโอ้มันมีแต่จิตใจนั่นอยู่อะไปเอาเรืนั้นเบื่องนี้เข้ามาเนี่ยเข้ามาแล้วก็เป็นทุกข์เนี่ยทุกข์ก็จะเป็นจะตายกันอยู่สมนน <c oughs> มนนัินเอาเสวยร้อนเนี่ยก็ทุกคนนันแหละ มันมีทุกข์ก็คือจิตของตัวเองนี่แหละมันไม่รู้ความจริงไม่เข้าใจความจริงแต้กาปฏิบัติเนี่ยมันก็โชคดีแล้วเพราะมันเป็นทางที่จะเข้าไปรู้ความจริงเรื่มงเลนก็ยังดีถึงเราไม่คนทุกชาตินี้ก็ไม่เป็นไรก็เราเราได้เรียนรู้แล้วได้เข้าใจแล้วอันนี้มันมีค่ามาก เกิกว่าที่จะเอาอะไรมาเปรียบมาเทียบได้นี่เป็การศึกษาโดยตรงเลยการศึกษาศึกษาสามอย่างศีล ส, สมาธิปัญญาศีลก็คีอเนีะยภาวะจิตใจของเราที่มันสำรวมเชื่อมปกติสมาธิออไม่ยินดียินร้ายกับอะไรนามดูเดือดอะไรเกิดขึ้นก็ไม่ยินดีไม่ยินร้ายปัญญาก็เห็นพวกนี้เกิดขึ้นตั้งอยูอ่แต่ไปไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเรา มันเกิดขึ้นทางกายก็รู้บางทีมันก็ทําให้เหมือนกับโอ้โหร่างกายเบาเหมันก็จะล่องจะลอยก็ยินดีมันก็เลยนะก็ต้องลัความยินดีจิดอาจขาดข้องดีคันลัดเหมือนใจจะขาดก็ไม่ยินลายแค่วางใสมันถูกวาเฉยเหรอในยินร้ายน้เอาใจดูใจในไปดูอันนั้นก็จะรู้ดูก็ดูได้แต่รักษาใจไว้มันก็มาดูจิตตัวเองปลอบจิต พอมาดูจิตเนี่ยไอ้พวกนั้นก็เกิดดับไปตามธรรมชาติของมันอ่ะเพราะเรารักษาจิตได้แล้วเนี่ยสิ่งเหล่านั้นมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันก็ไม่มีผลต่อจิตเราจิตเราก็วางได้เนี่ยวางได้จะเห็นว่าพวกนี้มันไม่ใช่ของเราเห็นว่าไม่ใช่ของเราปั๊บปัญญายาญก็เกิดขึ้นปัญญายาณก็เกรงกล้าขึ้นนเ้ื่อยใจมันก็เบื่อหน่ายลายกําหนับเนี่ย มันก็ปล่อยก็วางมากขึ้ น, นเรืยเร่ยเวทนามาก็พิณาวเวท น, นาในเวทนานิ่งๆมีความเพียรมีสติสัมปชัญญะละความยินดียินไล่ในโลกนี้เสียหนักหลักสําคัญคือมีความเพียรมีสติสัมปชัญญะละความยินดียินไล่ในโลกนี้เสียหนัก พนากายก็ตามทพินเวทนาก็ตามทพินจิตก็ตามทพินธรรมก็ตามต้องหลักเดิมเลยมีความเพียรมีสติสัมปชัญญะละความยินดยินรายในโลกนี้เสียแลแต่ในความเพียรเหมือนในสติปัฏฐานสี่นิตเขาเรียกอาตาปีเพียรเผากี่เดชให้เรารอนเด็กจิตใจมันจะติดไปคล้องมันยาก คิดอยากลึกอยากปุ่งอยากแต่งต้องหักข้ามใจด้วยมันอยากเอาอันนั้นอันนี้ต้องหักข้ามใจด้วยพอห้ามได้ห้ามคือไม่สนใจไปคิดคือบางอย่างมันละด้วยเจตนานถ้าเรามีหลักอย่างนี้รักษาใจวะไม่ยินดีไม่ยินร้ายแต่ถ้ามันยังไม่เข้าหาจิตตาลบจิต ด, ด้วยไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่ได้ก็ต้องอดทนไปก่อน ดูไยก่อนดูแล้วมันจะจิตมันจะคายออกจากสิ่งเหล่านั้นแล้วมันก็จะมาดูจิตได้แต่ถ้าใครมันรับได้มันก็จะคลิกกลับมาดูจิตหันมาสนใจจิตอย่างขณะนี้บางทีมีอะไรเกิดขึ้นชื่วอะไรดูเอาเวทนาเนี่ยเราดูดูไปเนี่ยถ้าสาสามารถสามารถ บอกตัเองเลยว่าตอนนี้จิตเราไม่ยินดีไม่ยินร้ายรู้เลยว่ามันมันเข้ามาหาจิตเลยเปลียนฐานเลยบางทีเข้าใจไปด้วยว่าเออเคลื่อนไปเคลื่อน เ, เลยเนี่ยที่จริงเวทนามนไม่ใช่ของเราเลยบางทีมีตญยาเกิดขึ้นด้วยแต่แรมแ้มันไปมันมันมันไปดูอยู่เหมือนกับจิตเนี่ยมันยังยึดเวทนาอยู่มันยังปล่อยเวทนาไม่เต็น แต่พอมีปัญญาเกิดขึ้นมันเข้ามาหาจิตได้ไม่ยินดีไม่ยินไลยเทนาก็เลยเหมือนหลุดไปไปจับจิตอ่ะเหมือนคนที่มันจะไปดูเวทนามาดูจิตพอไปจับจิตแล้มีเองนที่ไปยึดเวทนาไปเป็นเพระจิตเท่าไหเนี่ยไปให้ความสำคัญเวทนาเวทนาก็เลยอยู่ที่ร่างกายเท่านั้นไม่ได้เข้ามาอยู่ที่จิตเรอกมีคำว่ า, าไม่ยินดีไม่มีายมันก็มีหลายระดับทิน บางทีก็อา้าวเป็นไม่ยินดีไม่ยินลายในในขั้นของสมาธิแต่พอมันเห็นความจริงมันปล่อยได้มันก็เป็นไม่ยินดีไม่นลายเพราะมีปัญญารู้ไม่ใช่ของเราเนีเป็นเรื่องของรลังกายไม่ใช่จิตเราไม่ออกไปยึดมันต่อมาถ้าหาว่ามันเวษนนามันมากขึ้น ไอจิตมันวิ่งไปอีกถ้าชื่อว่าเรารู้แล้วว่าไอไอตัวที่วิ่งไปเนี่ยตัวจิตเนี่ยตัวเวทนาไม่ใช่ของเราไอ้จิตที่วิ่งไปเนี่ยรู้แล้วว่าไอไอจริงๆมันไม่ใช่ของเราแต่จิตเนี่ยมันวิ่งไปเองเราก็เริ่มเห็นอีกว่าไอเนี่ยไอ้ตัวจิตก็ไม่ใช่ของเราอีกแล้วเราไม่ต้องการให้ตัยึดเวทนาไอจิตมันมันก็ไปไปเกาะไปเกี่ยวเวทนาไปคุกเข้ากับเวทนา จิตมันก็เริ่มวินหล่นเพราะมันถูกบีบคัน้นนี่คือจิตมันมันไม่มีปัญญาปัญญามันยังไม่ถึงเราต้องอดทนไปก่อนเพื่อให้จิตเห็นขั้นที่จะปล่อยวางได้ต้องเห็นด้วยจิตรือด้วยจิตถ้าจิตมันไม่เห็นมันไม่มีหลักฐานไม่มีพยานมันวางไม่ได้ เพราะนั้นจะมาฟังธรรมะอย่างเดียวจะมาศึกษาอ่านหนังสือต ำ, ตำลับตาราอย่างเดียวไม่พอต้องเข้าไปถึงจิตเนี่ยจิตต้องเข้าไปรู้เข้าไปเห็นเข้าไปแจ้งเข้าไปชัดถ้ามันรู้มันเห็นแจ้งชัดก็ไม่ใช่ของเราจะให้มันยึดอีกมันก็ยึดไม่ได้มันจะคายออกเรื่อยเรืยเยืนี่เหตุผลที่เราต้องมาปฏิบัต ใอเมื่อปฏิบัติแล้วเนี่ยถ้าว่าเราเราก็ทําถูกต้องทุกสิ่งทุกอย่างแหละแต่ว่าทีนี้ไอ้อินทรีย์มันก็ต้องแก่ต่างกับเรคือตัวสติตัวปัญญามต้องพัฒนาไปเนี่อยถ้าถ้าว่ามันยังพัฒนาไม่ถึงจุดของมันแน่ที่เราก็ต้องทําความเพียรไม่ใช่อยากเพียรเรื่อยไปพอเพียรเป็นที่แล้วรู้สึกว่าเออทำได้ขนาด น, นี้ล้ว แต่ก็ยังมันก็ยังค่อยขยับไปที่เล็กทีละน้อยมันก็ยังดีกว่าไม่ได้ปฏิบัติมันก็เป็นบา ร, รมีของเราก็เป็นการสร้างบา ร, รมีแต่ไม่แน่เหมันยังไม่ถึงเวลาแต่ยังไม่พร้อมบางทีก็เราที่ว่าเราเต็มที่ก็เต็มที่แค่ชั่วมาอยู่วัด แต่รู้ที่เราปล่อยจิตปลยใจต้องจะเกิดมามันมากมายให้เราก็พุ่งจะมาฝึกหัดเราจะไปให้ความอยากมันครอบงาําจิตเราไม่ได้เราก็รู้ว่าเหตุปัจจัยมันยังไม่ถึงยังไม่ถึงเวลาเราก็เพียนเล่นไปแต่ว่าเรามีหน้าที่มาอยู่วัดแล้วครบกําหนดแล้วออกออกไปทําการทํางานที่ภาระหน้าที่เราก็ต้องไปทําหน้าที่ของเราเพราะเหตุปัจจัยเรามีมาแบบนี้ แล้วก็เอาหน้าที่การงานเป็นเครื่องมือปฏิบัติธรรมไปเท่าที่ได้ได้บางเสียบางก็ยังได้ปฏิบัติถ้าใครอดทนมากพยายามมากเขาก็ได้มากบางคนมีเครื่องทดสอบเด็กระหว่างที่ประกอบอาชีพใจเขาเด็ดขาดเดิ็ดเดียวเอาธรรมะเขา้าไปใช้ประโยชน์เห็นมันเกิดดับเห็นไม่ใช่ของเราขึ้นมากาลังปัญญาเขากำมา บางนี้ก็สามารถบรรลุมรคนได้ในขณะที่ทําหน้าที่การงานนี่แหละเพราะมีเกณฑการปฏิบัติธรรมมันจริงไม่แน่นอนตอนนั้นเวลาคนปฏิมาปฏิบัติธรรมบางคนคิดมันมีความเดือดขาดเดีดเด่ยวเพราะเขามีบารมีเก่าเขาเคยปฏิบัติมาจึงไม่ปล่อยวางได้เลยเขาเข้าใจได้เลย เขาก็มีมรรคมีผลได้บางคนอยู่วัดนานแต่ว่าอินทรีย์มันไม่แก่กลา้าเพราะบารมีมันยังไม่ถึงเหกุปจจัยยังไม่ถึงเราก็ต้องปฏิบัติเรื่อยไก็ต้องรู้ว่าคอเราเนี่ยเหตปัจจัยเรายังไม่เพียงพอแต่เราก็จะปฏิบัติเรื่อยไปให้ถูกทางให้ถูกต้องเือเดินตามทางของพุทธเจ้าตลอด ไม่ฝืดมีปติปานสีเนี่ยถ้ามันมันจะพัฒนาไปนิดเนี่ยที่แรกถ้เป็นสติเบื้องต้นไปสติปัญสีแต่ว่าอินทรีย์ยังไม่แก่กิดที่วิจิตเวลามันทํางานอะ่ะบางทีพระเจ้าก่ออธิบายในแง่ของความเพียรสมรรสัติปัญสีคือเพียรในจิตเนี่ยเวลาจิตมันมันอกุศลมันจะเข้ามาเนี่ย สติมันไปกั้นไว้หีือเขาเรียกเพี้ยนละอกุศลหรือเพียนสังวรเพียนระวังอกุศลจะเข้ามาไม่ให้เข้ามาหรือใหม่หรือเก่าเพื่อให้จิตมันตั้งมัน่นเพราะถ้าอากุศลเข้ามาแล้วมันก็ทําให้จิตเราเนี่ยมันยินดียินร้ายตุ้งตกต่างสติมันไปกั้นไว้มันคอยจดจ้องเพื่อว่าอกุศลจะเข้ามาหรือจะเกิดขึ้นปับ๊บมันยิ่งเข้าไปกั้นไว้ นี่แสดงว่าสติเราเริ่มมีกำลังแล้วมันก็กั้นอกุศลได้มีสังวรระทานเรียกสังวรระทานความเพียรสังวรเพียรระวังเพียรสังรวมระวังบาปเรื่องอกุศลบางทีเคยทํามาแล้วมันจะยิ่งกลับเข้ามากั้นไว้ไม่เข้ามานีละอกุศลเก่ามันนึกไม่ได้ทําหรอกแต่มันนึกขึ้นมาถึงเรื่องอกุศล บาทีอำนาจของก ร, รมเก่าก็มีเนะ่ะในจิตของเราเนะี่ยมันนึกเรื่องแปลกๆบงที่จิตเราไม่ได้ตั้งใจนึกหรอกปั๊บเข้ามาบางทีก็บร่างกายโป๊ะโป๊่วยปยเรื่องกรรมราคะเรื่องอะไรต่ออะไรก็โผล่ขึ้นมาได้มันก็ไม่ใช่เราอะ่ะเพราะอันนี้มันเกิดแล้วก็ดับไปเป็นเรื่องของจิต ถ้าเราเข้าใจหลับเราก็ไม่ไปหลงว่าเป็นของเราเป็นตัวเรามันก็ดับไปบางทีจิตยังไม่พอมันเล่นกายเนีย่ยดิ้นขันห่วงซึมเลยเราก็ต้องอดทนไปในวิบากของเรากรรมของเราที่เคยทำมาก็หนีไม่พ้นเนี่ยยอมรับได้ถือไม่ยินดีไม่อยู่ด้านหลักของพระพุทธเจ้าเราไม่ลึกอะไรกลย คือไม่ยินดีไม่ยินาารักเขา่าเนื่อยเพรียดระวังบาปอากุศลไม่เข้ามานีเรียกเป็นความเพียรชอบเพียรเพื่อไปสู่ความพ้นทุกเพียรเพื่อไปสู่พระนิพพานถือถ้ามันเข้ามาแล้วเขาเรียกประหารประทานเพียรประหารเพียรประหารเนี่ยถ้ากําลังจิตยังไม่พอประหารไม่ได้มันก็ดูไปก่อนดูไปกําลังพอเมื่อไหร่มันก็ประหารมันละได้ เพียงละบาปอากุศลที่มันเกิดขึ้นในจิตแล้วในเมื่อเป็นความเพียรชอบภาวนาประทานที่มิจะเพียรทําให้เจริญขึ้นในเมื่อสังวรระวังละอกุศลเข้ามาไม่เอาไมันเข้ามามันเข้ามาแล้วก็ดูมันมันดับไปก็จิตได้ยินดีไม่ยินไยเป็นฝ่ายกุศลขึ้นมาสติเป็นฝ่ายกุศลส ม, มาธิฝ่ายกุศลปัญญาฝ่ายกุศลความเพียรฝ่ายกุศลสัทธาฝ่ายกุศล จิตใจเป็นหนึ่งฝ่ายกุศลใจตั้งมั่นฝ่ายกุศลจิตเบืนายคายวางเป็นฝ่ายกุศลหมดเรียกว่าสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นทําให้มันเกิดขึ้นทําให้มันเจริญขึ้นเขาเรียก ว, ว่าภาวนาประธานสี่ที่เราภาวนาอยู่เนี่ยคือทําให้กุศลมันเกิดขึ้นสิ่งที่ไม่เกิดได้เกิดขึ้ น, นยังไม่มีให้มัน ม, มีขึ้นจากนั้นก็ต้องระวังด้วย เขาเรียก น, นี้คนอนุลักษนาประธานและมันระวังไมให้มันเสื่อมไปคือทำให้มันเจริญขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นจนมันพยบูนเนี่ยหมายว่ามันไปพูนนุ่นแหละเพื่อไปซุบสุปนุ่นหละนั่นก็คือต้องทำทำเจริญให้มากทำต่อเ น, นี่ เหตุความเพียรมินคืีสีย่าอันที่หนึ่งเขเพียรระวังเพียรสัมพวมเพียรระวังเขาเรียกสังวรประทานสังวรนี่คือสังวรประธานะคือความเพียรเพียรสังวรเพียรระวังระวังบาปอกุศลใหม่คือมัไม่เกิดขึ้นหรอกก็ระวังด้วย อากุศลเก่าเราเคยทำมาแล้วมันอยากกลับเข้ามาไม่แห้งเข้ามาถ้ามันเข้ามาแล้วเพียนประหารเพียนละ ล, นละอากุศลละบาป ท, ที่มันเข้ามาอยู่ในจิตเราแล้วละก็คือรูอท้ทรนมันไม่สนใจคิดไม่พอใจยังคิดจูงใจใจกับมันมีสติดูมันเดี๋ยวมันก็ดับไปดับไปการภาวนา ประทานเพียรภาวนาปฏิบัติในเมื่อมันมันระวังบาปุสสนไม่เข้ามาแล้วเข้ามาก็ดับไปหมดแล้วก็เป็นฝ่ายกุศลอยู่ในจิตหลักเรียกวาวนาประทานจิตอะไรเกิดขึ้นท่ามันวางจิตได้ไม่ยินดีไม่หยินร้ายปล่อยร่างกายก็อยู่ของมันเจตนาอยู่ของมันจิตไม่คิดตุ้งแต่งอะไรรู้สึกอะไรอยู่ของมันอย่างนี้เป็นกุศลหมดเลย เดีถ้าคุกัวไปวันไหวเป็นอกุศลทันทีเลยร่างกายเหมือนกับมีอะไรปุบเข้ามาอ่ามันที่อยู่ในตึ่งสภาวะธรรมเกิดแล้วก็ดับเราก็ไปปรุงแต่งเป็นผีเป็นสางเป็นเทวดาเป็นนุ่นเป็นนี่จะเป็นจะตายขึ้นมานี่เป็นบาปเป็นอกุศลเพราะเราไม่รู้ทันว่าอันนี้มันเป็นแคกของเกิดมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอะไร เราปฏิบัติไปเขาเรียกอ น, นุลักษณาประธานคือมันจะเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆผู้เจ้าจนกว่ามันจะไพยบุญสมบูรณ์แล้วมันก็จะไปสู่อริยมรรคอริยผลต่อไปอันนี้มันก็บจิตมันเริ่มพัฒนาไปนี้เนี่ยถ้าใครเป็นไปตามนี้ก็เข้าหลักของมุทธเจ้าแล้ ว, วาจากสติฐานสี่มาสัมมาประธานสี่ แล้วจะมาเป็นอิทธิบัตทสี่ทีนี้อิทธิบาทสีเป็นยังไงชัว่วเราพอใจปฏิบัติพอใจปฏิบัติปฏิบัติด้วยความพอใจด้วยความเต็มมอกเต็มใจอะไรจะเกิดกับขอให้ได้ปฏิบัติจิตก็ไม่ยินดีไม่ยืนล้ายจนกระทั่งจิตเป็นสมาธิได้ใจตั้งมั่นจิตไม่สั่นสายจิตเป็นหนึ่งขึ้นมา เิดเป็นสมาธิเพราะความพอใจที่เขาเรียกว่าฉันทะสมาธิสมาธิเกิดเพราะความพอใจเป็นอีกที่บาสีข้อที่หนึ่งหอพอพอใจประเดี๋ยวบางทีเรามีความเพียรหมุนหมันบับบันมีโอซ่าตะไรก็งอยท้อถอยพยายามอดทนสู้หง่วงซึมยังไงก็พยายามแก้ไขจกเป็นสมาธิขึ้นมานี่อดิวิทยาสมาธิสมาธิเกิดเพราะว่า วิริยะนำหน้าเป็นประธานถือถ้าพยายามจิตจดบจอมึ่งมันอุทิจิตใจมึ่งมันจดจอ่อมาให้จิตลอยไปทางไหนเป็นหนึ่งขึ้นมาเป็นสมาธิขึ้นมาเขาเรียกว่าจิตตัดสมาธิประธานสังขาร หมายความว่ามีจิตเป็นประธานปราลบจิตจนกระทั่งเป็นสมาธิขึ้นมาแต่ถ้าหาว่ามีอะไรเกิดขึ้นมาก็ยังแก้ไขธรรมยาอบรจิตแก้ไขสอนจิตไปเรี่อยไปยินดียินไล่ในไปยึดไปเกาะไปเกี่ยวเอาเรื่องราวอะไรมากุ้มลุงจิตใจสอนจิต ผมเริ่จิตเจริจร่งางจิตเนี่ยมันเป็นหนึ่งขึ้นมาเป็นสมาธิขึ้นมาเขาเรยวิมังสาสมาธิมืปัญญาเป็นประธานเป็นหลักเป็นตัวนําทําให้จิตเป็นสมาธิเพราะนั้นเรื่องของอิทธิบาสีคําว่าอิทธิบาสีอิทธิบาทจิตบาะพักเนี่ยหมายความว่า จิตทิริษหมาว่ามันประสบความสําเร็จมีเกิดปาฏิหาริย์ทำที่จะเกิดให้ทําให้เกิดความสําเร็จก็คือทําให้จิตเป็นสมาธิมันก็มีสี่อย่างเหมือนกันแต่มีความพอใจปฏิบัติหรือมีความเพียรทุ่มเทเหมือนอย่างพุทธเจ้าเพียรมามุ่งมั่นบากบัน่นไม่ท้อถอ ย, ถอยมีประัพท์ก็สู้อดทนแก้ไข ใจมั่นคงกล้าวไปข้างหน้าไม่มีคาว่าถอยหลังถ้าอย่างนี้ก็เรามีความเพียรเอาจิตใจเจ็จ่อไว้ไม่ให้มันไปยุ่งกับเรื่องอื่นไ ม, ม่สนใจอย่างอื่น ไ, ไปวอกว่าหนึ่งตรงเข้ามาจนจิตเป็นสมาธิจิตกับสมาธิประธานสังขาร ม, มือ จิตเป็นประธานทำให้จิตเป็นสมาธิขึ้นมาแล้วก็วิมังสาสมาธิเพราะนั้นเรือ่องของการปิบัีก็คือการทําสมาธิจนว่าจิตมันเป็นสมาธิขึ้นมาถึงสมาธินี่มันก็มีหลายระดับเนี่ย <Yeah. S 1> สมาธิเรื่องต้นมันก็เป็นอีกอย่างนึงแต่สมาธิที่มีปัญญาแล้ว มันปล่อยมันวางแล้วเป็นสมาธิที่ละเอียดลึกซึ้งเข้ามาแล้วก็ยังเป็นสมาธิเหมือนกันแต่เป็นสมาธิที่มันมีปัญญาเข้ามาประกอบมากขึ้นแล้วคลายวางอะไรนะเป็นโดยเฉพาะถ้าเป็นพระเลียจ้าแล้วเนี่ยจิตใจมันจะเบาเพราะามันมันไม่ไปยึดความลุ่มหลงมันน้อยลงไปละปล่อยวางได้สมาธิที่ละเอียดเข้งลึกซึ้งเข้ามาข้างใน โดยท่านสมาธิเต็มที่คือพระนาคามีอยู่เฉยๆที่นาอะไรไปจะดับสมาธิเต็มที่คือพยายามปฏิบัติมาเรื่อยๆเือยๆเรื่อยจท่านสมาธิมันเต็มที่โดยเฉพาะพระนาคามีที่จิตมันมันมันเลื่อนชั้นขึ้นมาละมันมันมันเริ่มที่จะสูงขึ้นละ